ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ Yours, ท่านผู้ฟัง hmm. ทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสมาธิที่สูตรภาคขยายคือที่ประอาจารย์ท่านนำประเด็นมาอธิบายขยายความเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน ก็เรียกว่าทุกวันก็ต่อไปนั้นก็คือเรื่องของอาหารอาหารนั้นแปลว่าสิ่งที่นำมาซึ่งผลเพราะฉะนั้นในหลักการจริงๆท่านก็จำแนกเอาไว้เป็นห้าเป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือการลิงการอาหารอาหารก็คือคำเข้า หรืออาหารที่เราต้องดื่มต้องลิ้มต้องชิมเข้าไปทางปากราจะเรียกว่าดื่มก็ได้ลิ้มก็ได้ชิมก็ได้หรือว่ากินก็ได้แต่สรุปว่าอาหารที่เข้าไปทางปากทั้งหมดสรุปแล้วว่าเป็นอาหารประเภทกาลิงคาราหารแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระอาจารย์ท่านอธิบายในรายละเอียดอีกเป็นอันมาก ซึ่งก็คงไม่จำเป็นเพราะวา่ามันเป็นเรื่องไกลตัวทีนี้ในประเด็นของเกาลิงการาฮานเนี่ยรเราเห็นว่าปัญหาสังคมมีอยู่ข้อหนึ่งที่แก้ยังไงก็แก้ไม่ตกคือปัญหาเรื่องปากเรื่องทองจนมีการพูดกันถึงคนจนสองประเภท ประเภทหนึ่งคือจนเพราะว่ามีไม่พอมีการขาดแคลนในด้านปัจเจศีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายคือรายจ่ายมากกว่ารายได้กรงนี้ถ้าลองศึกษาในรายละเอียดก็อาจจะมีรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอยู่ด้วยวันนั้นมีการปรับปรุงที่จิตใจตัวเอง ควบคุมความอยากของตัวเองเอาไว้แล้วก็ไปพกใช้สอยปัจจัยสี่เท่าที่จะเป็นคำว่าทางศาสนาพูะเจ้าทรงใช้บ่อยใช้คำว่ายังอัตภาพไปเป็นไปบาลีบอกว่ายาปนมัดตังก็ยังอัตภาพไปเป็นไปแต่ก็ในบางท้องถิ่น ที่ความเป็นยาปรมัติจะมีการจัดมันก็ทานองเดียวกับอาหารนะใล้ๆกับพวกเมี่ยงคำแล้วก็ถวายพระกันในตนเย็นเคยไปพบในท้องถิ่นบางแห่งแล้วก็ตกใจ สอบถามทราบความว่าเป็นยาปรมาตม์บอกว่ามันไม่มีนะท่านยาปรมัตม์ในพระวินัยเนี่ยมันมียาปรมัตม์เปลว่าการอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้ไม่สุดโสมอันนี้ก็คือการสั่งสอนที่ไม่ศึกษาสอบทานกับเอกสารสาคัญคือพระไตรปิฎกการตกะเนี่ย เป็นสังสอนในลักษณะที่ที่กตาบอดจูงกันไปเป็นแถวส่วนใหญ่จะมาจากสำนักกรรมฐ า, านเรื่อความสำคัญแก่อาจารย์ตัวเองมากกว่าพระจัยบิดกดกจนบางครั้งบางคราวก็ไปเสดพระเจยบิดดกก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันในกรณีเหล่านี้จาเป็นจะต้องมีการหมั่นขยนัน เพื่อได้มาซึ่งอาหารพอแก่การยังชีวิตให้เป็นไปในเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งหลายปีแล้วนะที่จริงแต่ว่าเราก็มีการพูดแต่ว่าไม่นำไปสู่ภาคปฏิบัติจริงจิจิตใจยังก็เลื่อนไหลไปตามกระแสของความอยากที่บังเกิดขึ้น แล้วกลายเป็นเสื้ออาหารตาอาหารหัวอาหารจมูกอาหารลิ้นอาหารกายอาหารใจคือกบาลินกระหารเนี่ยมันเน้นอาหารกายเฉยๆที่บาลีใช้กับวียานมัตตังเนี่ยคือไม่ใส่ใจติดใจในอยู่ประเภทของอาหารเหล่านั้นแต่เรียกว่าสําเร็จประโยชน์จากการรับประทานอาหารก็ใช้ได้ ทีนี้มีอาหารความจนมีประเภทหนึ่งก็คือจนเพราะคำ ว, ว่าพอเนี่ยมัน ม, มีอยู่ภายในใจปนนี้จะพูดยังไงก็ยากนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของตัณหาที่เราเห็นชัดเจนว่ามันก็ให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไป ใจก็จะกำนัดเพลิดเพลินชุนชมยินดีในสิ่งที่ตัวต้องการในสิ่งที่ตัวแสวงหาในสิ่งที่ตัวได้มาในสิ่งที่ตัวครอบครองเลยก็หมุนกลับไปนับหนึ่งใหม่คือยินดีในสิ่งที่แสวงหาไปเรื่รอยๆก็ถามเมื่อไรมันจะพอมันตอบไม่ได้เพราะว่าการเลื่อนไหลไปตามกระแสของตันหานี่คำว่าพอมันไม่มี าาการกระาำการกากับควบคุมความอยากในสุดมันก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติลงไปจำนวนหมาสาลเพื่อปลนปลือกิเลสของคนเพียงไม่กี่คนปรนา น, นเหล่านี้จะต้องเจอวันนี้เราก็เจอภัยธรรมชาติกันเยอะนะฮะแต่คนก็ไม่มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากตัณหาภายในใจมนุษย์ ตันหามันสร้างปัญหาเลการระคาดการควบคุมตันหาปัญหามันก็เกิดด้วยทำยังไงจะกำกับควบคุมได้ในกรณีนี้ก็คือกำกับด้วยหลักของสมายชีพดยการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบที่ควรไม่ละเมิดตัวบทกฎหมายไม่ละเมิดบทบัญญัติของศีล แล้วก็รู้จักพอเหมาะพอควรพอประมาณพอดีพอใจพระหลักเหล่านี้พระเจ้าทรงสอนให้ทําใจของตัวเองให้รู้จักพอเรียกว่ามัดดันยุตาคือรู้จักประมาณในการบริโภคพัตตาหารแล้วพระนิยสสอนไม่เยอะมาก แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยจะสอนในแนวมัตตันอยู่คือรู้จักประมาณก็คือพอดีพอใจพอควรพอประมาณอย่านี้ท่านให้สติไว้ในอุทานธรรมว่าว่าไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอและเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทนานไม่ได้การจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอ เันปัญหาเรื่องปากเรื่องทองนี่จะลดลงไปแต่ว่ามันมันหายไปจากโลกนี่ไม่ได้มันเป็นปัญหาถาววร์ลองสังเกตว่าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องกับปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สินเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้อย่างไงก็แก้ไม่ได้พยายามลดแต่มันน้อยลงหน่อยเท่านั้นเองอาหารประการต่อไปนั้น คือผัสสะอาหารคำว่าผัสสะเนี่ยก็คือผัสสะทั้งหกก็นําผลมาเนี่ยคือลองสังเกตว่าเราเวลาสัมผัสเนี่ยมันจะเกิดความยินดีหรือความยินร้ายก็นําผลสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อภายในจิตใจของเรา ถ้ายินดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปแนวหนึ่งยินร้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไปแนวหนึ่งวันท่านยังบอกว่ามันเป็นอาหารชนิดหนึ่งเราจะพูดถึงอาหารตาอาหารหูอาหารใจก็พูดกันแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้เยอะพวกผัดสะทั้งหลายเนี่ย ภาษาที่ชัดเจนก็คือเครื่องปูราาทั้งหลายที่กายมันสัมผัสแจริงสัมผัสมันสัมผัสหนะคือทั้งหสัมผัสทางตาทางหูทางจ ม, มกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจที่ประการหนึ่งเรียกว่ามโนสันเจตนาหาันาหารคือเจตนาหรือความจงใจหรือความตั้งใจ คนนี้พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีคำถามว่าสัตว์ดำรงชีพยอยู่ได้เพราะปัจจัยดำรงชีพยอยู่ได้เพราะอาหารบม่เว็นเช่นนั้นเหตุชนไหนเมื่อปัจจัยของสัตว์ทั้งหลายแม้เราอื่นมีอยู่ปรุงจึงสัตว์อาหารไว้สี่อย่างเหล่านี้เท่านั้นคือไม่จัดอย่างอื่นเ่าตอบว่าเพราะว่า รงจัดไวเพราะเป็นปัจจัยพิเศษแห่งสัน ต, ติที่เป็นภายในคืออย่างอื่นมันก็มีการสืบเนื่องกันน่สืบเนื่องกันไกนสี่ประการเนี่ยผรมนุษยัเจตันหานก็คือเจตจานงความมุ่งมั่นความคิดความตั้งใจเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้เพื่ออย่างโน้นเราจะน้อยมันก็นำผลมาเป็นสุขเป็นทุกข์เหมือนกัน ก็เป็นสุขล่วงหน้าแล้วก็เป็นทุกข์ล่วงหน้าประการต่อไปก็คือพวกวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกมโนสัญเจตนาอาหารเราไม่เคยคุนนะบบางครั้งท่านหมายถึงกรรมที่จะให้เข้าถึงพบทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งก็คือ ก็ไม่ใช่เฉพาะอย่างเยี่ยงคือพบันก็มีสามท่านเองคือทั้งกายมพาพบทั้งรูปมาพบและรูปมาพบแล้วก็มนรรุษย์สังเกตานาหานี่ลองสังเกตว่าจึงเคยเล่าเรื่องธรรมิกะอุบาสกคือก่อนที่จะดับจิตนั้นทั้งเกศท่านเจตนาที่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านก็ไปได้ด้วยบุญของนั้น พระเจ้าพิมิฐารตั้งใจจะไปบังเกิดในจาตุมาราท่านก็ไปได้เพราะเราจะเห็นสภาพจิตอ่อนดับที่ท่านเน้นถึงจิตที่ผ่องใสกับจิตที่สามองเพราะจิตมันจะเหนียวนียวอารมณ์ที่เป็นกุศล อ, อกุศลขอนดับแอ่กุศล อ, อกุศลเหล่านั้นมก็กลายเป็นอาสันนกรรม การมจวนจะตายก็นําไปสู่สุกติบ้างทุกติบ้างครับต้องกดแก่กรรมวิญญาณอาหารเนี่ยอาหารคือวิญญาณท่านบอกว่าจะนําขันทั้งสมที่สัมปยุทธด้วยวิญญาณในรูปสาสที่เกิดโดยสามารถแห่งสันนติสระการเข้าไปเกิดเพราะว่นวิญญาณในที่นี้ก็คือวิญญาณหแล้วก็ อาจจะหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณอยู่ด้วยตกลงว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันมันเป็นอาหารในแต่ละขณะของของชีวิตให้องสังเกตว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยที่จริงเราก็สัมผัสกับอาหารทั้งสี่ประการอาหารที่ผ่านเข้าไปทางปากอาหารที่เราได้สัมผัสแล้วก็ เป็นความจงใจเป็นความตั้งใจที่ประกอบด้วยกุศลและกุศลเกิดขึ้นภายในใจของคนและเมื่อใจทําหนะ้าที่รู้ก็เป็นการนํามาซึ่งผลและเป็นการดํารงอยู่ของเรียกว่า น, นามธรรมกับรูปธรรมก็ในชีวิตของคนแต่ละคนเป็นเรื่อง อาหารจึงถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญประการหนึ่งทีนี้ในขณะเดียวกันถ้านกสอนในเชิงที่เป็นไัยท่านบอกว่าไัยจากอาหารเนี่ยมันก็มีเหมือนกันในกรณีของเกาลิงกะาาหารอาหารที่เราดื่มเราลิมาล้มเราชิมเข้าไปเนี่ย คือเราจะเห็นว่าสัตว์เป็นนั้นมากที่ตายเพราะอาหารการลาสัตว์ส่วนใหญ่อมยลล่าด้วยอาหารและแม้แต่การตกเป็นทาสของสิ่งเสพทั้งหลายเป็นนั้นมากดังโดยปกติแล้วมันก็ไม่ควรถึงเป็นอะไรแต่ว่าพระจิตใจที่อ่อนไหวคนก็ตกเป็นทาสของสิ่งเสพเพราานั้น ผลก็นในกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลได้สร้างภัยให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองหรือแม้แต่รับประทานอาหารมากเกินไปเรืออาหารที่เป็นพิษเรืออาหารที่ไม่มีคุณค่าทางอาหารอะไรก็ว่ากันเป็นศาสตร์ไปเลยตาหลักของโภชนาการมีรายละเอียดอะไรเยอะทีนี้ในกรณีของผัสสอาหารเนี่ย มันเป็นอันตรายในกรณีที่เราไปติดมันติดรูปติดเสียงติดกลิน่นติดรสติดสัมผัสติดอารมณ์โอ้ตรงนี้ก็ยุ่งตายเลยยุ่งตลอดชีวิตเพราะลักษณะการเสพติดทางจิตของมนุษย์เนี่ยมันก็กลายทั้งเป็นตันหาทั้งอุปาทาน ถ้าเรามองในกระบวนการของปัจจยการเราจะเห็นว่ามันก็มีอายตนะมีภาษะมีเวทนามีตัณหาและมือประทานแล้วก็กลายเป็นรู้สึกเป็นพบอะรู้สึกเราเป็นอย่างงั้นเนี่ยมัน้ะขาดแล้วมันขาดมันทําให้เกิดโทสะมันเกิดโศกะอะเออฉันยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างนายโคฆ่าที่แกฆ่าโคทุกวัน ข่าโคอยู่ถึงห้าสิบห้าปีก็แก่ไม่ใช่เล่นนะนึกดูว่าคนข่าโคอยู่ตั้งห้าสิบห้าปีตีนจะมาเริ่มข่าอายุสักยี่สิบห้าสิบห้าปีไม่ใช่เล่นนะเจ็ดสิบกว่าปีอย่างข่าสัตว์อยู่เพราะงั้นก็ติดในรสของอาหารทุกมือจะต้องมีเนื้อรับประทานถ้าไม่มีเนื้อรับประทานนี่ไม่กิน วันหนึ่งมีสหายเข้ามาซื้อเนื้อแต่ว่าไม่มีเนื้อจะขายพันยาก็เกรงใจก็เลยเอาเนื้อที่เก็บไว้จะปรุงให้สามีนี่เอาไปให้เพื่อนรือนเาาจะปรุงอาหารให้สามีจริงๆมันก็ไม่มีเนื้อนายโคค่าสอบถามพันยาก็เล่าความจริงให้ฟังก็ไม่ว่าอะไรพันยาหรอกแต่ว่าลุกขึ้นเข้าไปหลังบ้าน ไปดึงลิ้นโคออกมาจากปากโคแล้วก็ตัดลิ้นโคมาโยนให้พัญญาปรุงเป็นอาหารมันเข้มโหดมันรุนแรงมันเป็นโลภะที่มีโมหะแล้วเกิดโทสะเป็นกระบวนการกิเลส ท, ที่มันไหลหนุนกันไปจนมีความเข้มข้นรุนแรงพออาหารที่เป็นลิ้นวัวแตะลิ้นตัวเองลิ้นขาดเย บาปกรรมมันแรงมากเป็นบาปกรรมสะสมนะไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นมันสะสมมานานมันถึงคราวพอดีก็ถึงจุดที่จะสแสดงผลให้ประจักษ์ชัดพอดีก็แสดงผลแกร้องมึงก็โคโถูกเชื่อตอยู่ตั้งเจ็ดวันร้องแรงเสียงดังก็ไปถึงประเชตวันลิงสุก็แรบทูลพระพุทธเจ้าว่า ฉรอยที่บ้านนายโคคาดจะมีการฆ่าโคลโคเป็นการใหญ่เพราะเสียงร้องไม่วหยุดเพรเจ้าก็ส่งแสดงให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรพ้นทำไงวะอย่าติดเรื่องสัมผัสที่จริงที่ติดเนี่ยไม่ใช่กายมันติดจิตมันติดเฉยๆมันเป็นลักษณะของตันหาวปาทานแล้วก็เป็นพบคือรู้สึกต้องมีต้องเป็นอะ ถ้าไม่มีไม่เป็นไม่ได้เราจะลืมว่าพบเนี่ยมันเป็นสังขารอยู่ด้วยนะแล้วก็เกิดปรุงคิดเกิดคิดปรุงขึ้นมาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อลไแต่ก็ว่าไปทีนี้มโนสัญเจตนาหารที่เป็นภัยเนี่ยมันเพราะว่าเป็นการประมวลมาคือการสั่งสมเก็บ ไอ้ความเจ็ดจำนวเหล่านี้เอาไว้ซึ่งบางอย่างไม่ควรเก็บไว้แต่ก็เก็บไว้ทีนี้บิญญาณอาหารเนี่ยตอนนี้ท่านเน้นไปที่ไปสนที่บิญญาณคือมันจะเป็นภัยในการถือกาเนิดคือบิญญาณอาจจะนำไปสู่ทุกขติได้เป็นเปรตเป็นนสุรกายตกนรกเป็นสาติเราชา่นได้ นั้นถ้ามองในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยในการปฏิบัติธรรมทุกข้อนะให้ลองสังเกต ก, การบริกรรอาหารคุณต้องคุมโลภะคุมตัณหาได้แล้วก็ผัสสาหารก็เหมือนกันคือต้องคุมโลภะได้เพราะไม่งั้นมันจะไหลเข้าสู่การยึดติด มนสันเจตนาอาหารความจงใจความตั้งใจต้องมีสติปัญญาในการแยกแยะแเจตนาอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นมันได้ประโยชน์อะไรคือทำคาถามสุดท้ายต้องตอบไปได้มันได้ประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าไปตั้งใจมันแล้ววิญญาณอาหารเนี่ยมันก็พัฒนาวิญญาณนะพัฒนาคุณภาพของจิต ใหอยู่ในศีลในธรรมเพราะว่าจิตจะมีคุณภาพสูงถ้าคุณธรรมสูงจิตก็จะมีคุณภาพสูงและมาอื้นวยประโยชน์สุขให้ในแต่ละขะั้นะแล้วก็สืบเนื่องกันไปจนถึงกระคามพกคำชาติเพราะจิตที่สะสมความดีเอาไว้มันก็กลายเป็นจิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าเรามองในเรื่องเหล่านี้สมมติเราจะศึกษาจริงๆจังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ลิกระดาหานมันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งหมดเนี่ยมันก็กลายเป็นอารมณ์กรรมฐานได้ทั้งนั้นทีนี้ในข้อเนี้ยผูพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ ว่าดุกรอนวิสุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายกําหนดรู้กบาลิงกราหันแล้วราคาที่อาศัยเบญจากามคุณก็เป็นนั้นกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้ราคะที่อาศัยเบญจากามคุณแล้วจะไม่มีสังโยชน์นั้นคือการมราคาสังโยชน์ซึ่งเป็นเหตุในระยาสาวกผู้ประกอบแล้วมาสู่โลกนี้อีก มาความการพิจารณาอาหารเนี่ยที่จริงมันอาหารมันเป็นทุกข์สัตว์นะคือถ้าเราไปยึดติดมันมันก็จะเพิ่มราคาเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะโอ้อาหารไม่ดีก็โมโหฉุนเฉียวเรียวกราดดุดาบางทีจนถึงความปาภัจนะเพื่อจะเลิกไปกินอาหารที่อื่นอะไรเนี่ยคือตลเดียะ เพียงนกว่าภาพเหล่านี้ยที่จริงในสมัยนี้มันอยู่ในยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือมันเยอะคือคนเกี่ยวกราดในขนาดนั้นนะที่จริงมันน่าจะถ่ายภาพเอาไว้เวลาแก่ปกติปกติก็เอาให้ดูเือสอนใจตัวเองสักบ้ า, บางคนอื่นสอนสอนไม่ได้ก็ต้องภาพตัวเองมาสอนตัวเองเท่ า, าง ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราไปไม่ชัดเจนน่ะมันก็เพิ่มราคาเพิ่มโลภะแล้วก็เพิ่มโทสะด้วยนเะ่ยในสุดก็ไปให้ความสำคัญกับอาหารเนี่ยมากเกินไปโืยยังนึกถึงกรรมฐานนะ่ยคือให้ต้องาัาความต้องการกับอาหารเยอะมากเสียเวลาไปกับอาหารนี่เยอะเหลเกิน ถือว่ากันตามความจริงการพิจารณาอาบอาเรปฏิกูลสัญญาไม่มีอาหารก็พิจารณาได้คือไมาจเป็นอ่ะคือเราก็รู้อยู่าอาหารมันประกอบด้วยอะไรบ้างปฏิกูนยังไงน่าเกลียดยังไงอตอนขับถ่ายก็พิจารณาได้ตอนอาบน้ำก็พิจารณาได้มันก็มันก็เป็นผลพวงมาจากอาหารทั้งนั้นก็ไม่น่าจะเสียเวลาเรื่องอาหารเยอะ ภาคชา้านี้ว่าเกือบหมดเลยเรคยสังเกตเห็นเออเขาก็คิดกันแปลกกันนะคิดกันแปลกมันสูญเสียเวลาเยอะมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้รูปแบบขนาดนั้นหรอกปัญหาสำคัญมันอยู่ที่กิเลส จ, จางคลายลงไปไม่อยู่ที่รูปแบบอย่างนั้นคือเราน้อมใจเอาได้นะน้อมใจนึกก็ได้แล้วแม้แต่ในสมัยปัจจุบันเราเห็นว่าพวกภาพสไลด์พวกอะไรอะพวก ภาพบีซีดีซีดีอะไรต่างๆดีบีดีเนี่ยมันก็ถ้าทำเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาเป็นอุปกรณ์การศึกษาเรียนรู้มันก็ช่วยได้เยอะแม้แต่ภาพสไลด์อะไรต่างๆภาพถ่ายต่างๆมันก็ช่วยได้เยอะคือการมราคาสังโยชน์เนี่ยมันเป็นเหตุนำไปสู่พบเพราะคำสอนตรงนี้ส่งมุ่งไปสู่การหลุดพ้นจากพบ โดยใช้การลิงกระาหารเนี่ยอั น, นคือคำข้าวเนี่ยแสดงเห็นว่าเป็นทางนำไปสู่ผลสูงสุดในทางศาสนาได้ไปพิจารณาแนว เ, เรียกอาหารเรีติกูลสัญญาหรือจจตุ่ารวัฏฐานก็ได้มันก็เครื่อเดียวกันนะฮะหรือแม้แต่อาการถามที่สมก็เชื่อมโยงอาหารอยู่ท้งนั้น ก็ต่อไปก็รับสั่งว่าลุกกรพิสุท์ทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้ผัสสะหารแล้วเวทนาทั้งสามก็เป็นนันเธอทั้งหลายกําหนดรู้แล้วเมื่อกําหนดรู้เวทนาทั้งสามแล้วเราตถาคตกล่าวว่าริยสาวกจะไม่มีกิจอะไรที่ต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปหมายความถ้ายุ้รู้ชัดเจนในเวทนาเราอย่าลืมมาอย่างในอนัตตะละกนัสูตรเนี่ยเราก็ตัดโดเฉพาะเวทนานะ กิเลสนามันขึ้นอยู่กับมันเกิดอะไรสุขเราก็รู้ว่ า, กกาสุขทุกข์เราก็รู้ว่าทุกข์ทุกขก็มาสุขเราก็รู้ว่าทุกขก็มาสุขรู้ตามที่เขาปรากฏอ่ะเขาปรากฏอะไรเป็นเรื่องของเขาแต่เราเห็นว่าส่วนหนึ่งใจเราไปบวกคือเราเข้าไปทุกข์เราเข้าไปสุขเราเข้าไปไม่ทุกข์ไม่สุข ต่การมองเวทนาในลักษณะนั้นมันไปผูกโยงเรากับเวทนากลายเป็นเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนาอยู่ในเราเราอยู่ในเวทนาแลวก็ยุ่งก็กลายเป็นสักกายะก็รวมหมดก็ยีนนะ่สิบปณะนี่ก็สักกายะสีเ่เฉพาะเวทนาเพื่อการมองเวทนาในแนวของใจลักเนี่ย ก็คือมองแนวแนวไหนก่อก็ได้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาแล้วเมื่อมองเห็นว่เวทนามันมันมีอะไรมันสักต่วเวทนาเวทนามีลักษณะแค่ๆกับต่อมน้ํากิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรยึดติดไปก็เท่านั้นไม่ยึดติดไปก็เท่านั้นมันก็สักแต่ว่าเวทนา เราตั้งความหวังว่าต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างโน้นนะมันเราก็ทําไม่ได้มันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือท่าชีของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทุนที่เราให้ความสําคัญแก่พวกนี้มากเกินไปแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเวทนา ค่อยคว้าเวทนาปรรธนาเวทนาสแสวงหาเวทนาคือเศราแสวงหาเขาเรียกว่าอนนริยะปฏิเยสนาเป็นการสแสวงหาในสิ่งที่ไม่ประเสริฐทีนี้พอเข้าถึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปน้นเลยนะคือมันไปถอนตัดหามานะัททิถีไปได้เวทนาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ปัญญาที่รู้ยริงเห็นจริงก็เกิดขึ้นเรื่องญาณนะทัศนะคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตมันก็เวทนาปรากฏมันก็ไม่ยึด ต, ติดอะไรมันไม่ซึมเข้าไปสู่จิตคล้ายๆกับน้ำที่ไม่ซึมเข้าไปในใบบัวในดอกบัวทั้งทางที่ว่า ใบบัวดอกบัวมอาศัยคโครนต้มอยู่นั่นแหละแต่ว่าคโครนตรมมันไม่สามารถจะไปแสดงสีกลิ่นรสขึ้นมาได้และน้ําก็ไม่สามารถจะแซกซึมได้ทั้งทั้งที่อยู่ด้วยกันทีนี้พอมาถึงมโนสัญเจตนาหารคือถ้ากําหนดรู้มโนสัญเจตนาหารแล้วเนี่ยตนาสามก็เป็นกานกําหนดรู้แล้ว เมื่อกันหมดรู้ตัณหาสามแล้วเราตถาคตกล่าวว่าอาริยสาวกจะไม่มีกิจที่จะต้องทำห้ยิ่งขึ้นไปกว่าอันนี้คือจบพระมจันเนียเป็นการแสดงธรรมสั้นๆแต่ว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดหลายความแต่ละข้อเนี่ยนำไปสู่อรหันตมรรคทั้งนั้นอรหันตผลทั้งนั้นตัณหาทั้งสามประการือการมตัณหา จิตที่ดิ้นรนทเยอยานทยานอยากได้ซึ่งวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมารมที่ใจเรากำหนวดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจคือคข้ามารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัธรรมารมเนี่ยมันครอบคลุมหมดนะเอารถสักคันเอาบ้านคือฤาอีหาสักหลังมันก็เป็นรูป嘛 แล้วเราลองสังเกตว่าบ้านเนี่ยมันเป็นรูปแล้วจะมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสตามมาเป็นแถวเพรบ้านที่จริงบ้านทั้งหลังก็คือวัตถุกรรมทั้งหลังอแต่เราก็ยึดติดในบ้านเหล่านั้นก็กลายเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราไปเลยแต่บางครั้งแรงแรงยึดติดแรงๆตายไปแล้วก็กลายเป็นผีบ้านผีเรือนไป แท่ที่จิตวิญญาณจะสูงมันจิตมันยึดติดอ่ะยึด ต, ติดอยู่ที่บ้านเดี๋ยวสมภารบางองตายแล้วเป็นเจ้าที่อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นปู่โสมขสเขาซั์อะไรนันก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นธาตุของตัณหามากจนไม่สามารถสลัดออกได้ เพราะว่าตัณหาคือจิตที่มันดิ้นทะยอ ท, ทยานอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นคือเรามองในแง่ความจริงว่าความเป็นเนี่ยก็คือความไม่เป็นเราเป็นอย่างนี้ก็คือไม่เป็นอย่างอื่นและในที่สุดเนี่ยเราก็จบที่การตายคือไม่เป็นอะไรสักอย่างนอกจากตอกจากตายในเรื่องแปลก กระแสะอะไรล่ะกระแสะเกี่ยวกับสมณศักดิ์ของพระเขาเอามาพูดกันตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันทางสื่อสารวิทยุองนั้นได้องนั้นไม่ได้องนั้นควรได้องนั้นมดมันก็ยุ่งรุงรังพันเตนไปหมดเลยคือเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยความเป็นพระนี่มีความสาคัญที่สุด เป็นอะไรก็ได้เป็นสมเด็จตาคุณธรรมเครื่องความเป็นพระไม่มีมันก็ไม่สนุกนันนะเพราะอะไรเพราะวาความเป็นเหล่านั้นมันไม่ได้คุ้มตัวเราจากอาบัติเราใช้สถานะตรงนั้นเนี่ยไม่ได้คุ้มตัวจากอาบัตแต่ถ้าเราใช้สถานะเคองความเป็นพระนี่มันคุ้มครองบาปได้ เพราะฐานะสาคัญคือจะเป็นอะไรก็ช่างมันเรียกสมมติทับสมมติซ้อนสมมติลงไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องตรหนักก็คือความเป็นพระความเป็นอุบาสกความเป็นอุบาสิกาความเป็นพ่อความเป็นแม่อันนี้สําคัญมากเป็นได้ได้เป็นให้ดีเป็นให้เป็นเป็นให้ชอบแต่ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องสมมติอย่ายึดถือในความเป็นตรงนั้นในมากเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะยุ่ง จะรุงรังเลยเวเ น, นี้ยเราจะเห็นว่าแม้ในแวดวงของพระในบางทีโอ้โหแม้จะดื่มน้ำสักถ้วยนี่ที่ใส่จะต้องอย่างดีอะไรแต่ะะไรอย่างนี้เรียกอะไรไม่รู้รุงรังไปหมดเลยต้องมีโต๊ะมีอะไรกินหารจะกินก็กินน่ะคือวันสําสเร็จประโยชน์แล้วกันคือเราทําให้รุงรัง เกิดเรื่องบุ่นวายเป็นภาระที่มันหนักคือขันห้ามันมันหนักอยู่แล้วเราแบกขันห้าเราก็แย่แล้วยังแบกยังอื่นดีก็รุงรังกันใหญ่คือบางบางชีเนี่ยโอ้นี่สมณศักดิ์สันสูงแล้วนี่มลเทศไม่ได้เทศเนี่ยเป็นงานสายทรงนะเทศเนี่ยเป็นงานของพระพุทธเจ้านะพระเจ้าเทศจนก่อนจะนิพพานเลย เพราะการสื่อสารตรงนี้เราต้องเทศตลอดอย่าไปคิดเรื่องสมณศักดิ์ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ใหญ่ท่าพระพุทธเจ้าหรอกเพราะนี่ภารกิจที่ต้องทําการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การดูแลรักษาศา ส, สนา น, นี่เป็นภารกิจที่เป็นพันธกิจด้วยจะต้องรับผิดชอบและที่จริงถ้าสมณศักดิ์สูงนี่นะคือมันมีใน คำประกาศเขาเรียกว่าสัญญาบัติขอช่วงตอนปลา ย, ปลายไปแล้วถึงจุดหนึ่งมันจะย่อหน้าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณุเคนนราะห์พระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควรเทินแล้วก็ขยายไปตามสมรสาะาพอไปถึงระดับสังฆราชที่มันเปลี่ยนข้อความนิดหน่อย แต่กรอบมันใหญ่กรอบมันแผ่คลุมไปทั่วอาณาจักรเขาได้โปรดรับทุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์นัเคราะห์ประภิกษุสามเณรในสงฆก็มล ท, ทนทั่วไปโดยสมควรแก่พระเสอิศยยศซึ่งได้พระราชทานนี้แล้วก็ให้สินะป์ เพรนถ้าเราเป็นในตัณหาเนี่ยมันจะยุง่งเพราะว่า <ST screen> มันจะไม่นิ่งมันจะดิน้นแต่ถ้าเราเกิดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญาคือสำนึกสำเนี๊ยบตาพระเราเรียกว่าสมณะสัญญาถ้าชาวบ้านก็ เ, เรียกอุปสาสกาสัญญาอุปสาสิกาสัญญาปิตุสัญญามาตาสัญญาอะไรแต่สำนึกว่าเราเป็นพอ่อเราเป็นแม่เราเป็นอุบาศกเราเป็นอุบาสิกา เราเป็นภิกษุเราเป็นสามเณรเราเป็นอะไรก็เป็นให้ได้เป็นใดีแล้วก็เป็นให้เป็นแล้วก็เป็นให้ชอบมันก็บังคับใช้ภาวะตัณหาได้หรือภาวะตัณหาคือความไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นเราเห็นว่าเป็นตัณหาซ้อนตัณหาคือไม่ยินดีในสิ่งนี้ก็คือยินดีในสิ่งอื่นเนี่ยคล้ายๆกับเขาตั้งโต๊ะให้รับประทานอาหารแล้วไม่ยอมรับประทานเนี่ย มันไม่ได้หมายความมันไม่มีตัณหาคือมันเป็นมันมะวิภาวตัณหาในอาหารบนโต๊ะแต่มันเกิดภาะว่ตัณหาในอาหารอื่ น, นเกิดกรร ม, มาตัณหาในอาหารอื่นเพราะว่าอาหารนั้นไม่ชอบเพราะเราจะเห็นว่าถ้าดับตัณหาได้มันก็ดับสังสาระทุกข์ได้ก็ต่อไปรับสั่งว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกําหนดรู้วิญญาณวิญ ญ, ญญาณอาหารแล้วนามรูปก็เป็น อ, อันกําหนดรู้แล้ว เกิใจนว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยสรุปแล้วเป็นนามรูปสิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ละอย่างเนี่ยเราเรียกว่าวิญญาณอาจจะกุบวิญญาณโซตะวิญญาณคณวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณพันตัวเรามันทั้งห้าเองอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าแล้วจนถึงกระรูปเสียงกลิ่นรสผุตภะเนี่ยมันเป็นรูปทีนี้ไอ้ส่วนธรรมารม ก็ส่วนจิตเนี่ยส่วนบิญญาเนี่ยเขาเรียกว่านามตลงว่าเป็นรูปนามมันก็หมดอ่ะเพราะสิ่งที่เรายึดติดทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่ที่รูปนามตลอดตั้งการปรารถนาพบชาติต่างๆที่ประณีตขึ้นไปก็แสดงว่ามันก็ปราดปรารถนารูปนามที่ประณีตแต่ถามว่ารูปนามเหล่านั้นมีสถานะเป็นอะไรมันมันเป็นกฎใจลักเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าอายุการเป็นในแต่ละสถานะมันนานนั่นเองซึ่งก็ไม่สนุกอะไรนะฮะเพราะชาติความเกิดเป็นทุกข์อยู่แล้วเป็นทุกข์ที่อยู่ในสังสารวัตรเพราะนั้นท่านก็อธิบายให้เห็นว่าปัญหาเกิดเนี่ยอาหารจึงเกิด ทีนี้าหารเกิดก็ตัณหาเกิดก็ได้คือคือมันมันมนพวกนี้มันอยู่สายก็ปกัิจจการเราจะเห็นว่าอาหารตัวนี้ก็คือผัดสามเป็นการอธิบายตามโครงสร้างของปฏิจจสมบัติเราจะเห็นว่าวิญญาณปัจจานามรูปังนามรูปาปาปัจจาสลายตนะักสลายาตาระนัปัจจายผัสโซผัสสะปัจจายเวทนาเนี่ยเพราป็น คือการแสดงปฏิจจสมบัติบางทีกระโดดข้ามไปเลยก็ได้เกิด ไ, ไม่จําเป็นอะไรเศรษฐศาตัณหาชเนติปุริสังตัณหายังชนให้เกิดถ้าเราดูช่วงที่เขาข้ามไปเนี่ยคือพบคือชาติมันก็ข้ามไปตัณหาอุปาทานก่อนตัณหาอุปาทานพบเพ็นไม่ทราบข้ามมาสามอย่างคือพูดหรือไม่พูดก็ก็เหมือนกับพูดอะก็คือพูด คือเรื่องมันเรื่องมันจะเป็นจะต้องไปไปเจาะรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าพวกเหล่านี้มันเป็นกระบวนการอยู่แล้วท่านบอกว่าเพราะตันหาเก่าก่อนเกิดขึ้นเนี่ยสมุทัยเหตุเกิดคือการเกิดขึ้นแห่งตันหาทั้งหลายที่มีมาแต่ไปสนย่อมมีขึ้นมีอย่างไรแล้วทีนี้ท่านอธิบายย อธิบายอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่ที่มากไปหน่อยเนะ่ยคือสรุปว่าอาหารเนี่ยมันมันอยู่กับเราอะ่ะคือตัวเรามันมั น, ม, นมันเต็มไปด้วยพวกพวกอาหารทั้งพอร์แยกออกไปเป็นอาหารสี่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทั้งหมดพฤติกรรมทางกายทางจิตกายเราก็ถูกปรนปลือหล่อเลี้ยงด้วยกาวลิงกระลาหาร จิตเองก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยพวกอาหารสามประการรวมถึงการบุญกรอาหารด้วยนะเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยคือเราจะบริโภคด้วยด้วยตัณหาบริโภคด้วยความอยากเพราะงั้นยังไงยังไงเขาก็เคลื่อนไหวไปด้วยครบกันทั้งทั้งสี่ข้อด้วยกัน ก็เป็นลีลาอารมณ์เป็นการกํากับควบคุมอารมณ์ของเราเราเห็นว่าถ้าเราลดที่ตัวผัดะสะสมมติเราไปลดที่ตัวผัดสาห์ น, นี่นะคือกระทบก็สักแต่กว่าทบเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสุดดมสุดดมลิ้มสักแต่ว่าลิ้ ม, มจับต้องสักแต่ว่าจับต้องคืออย่าไปใส่ใจไปตั้งใจมากเกินไป แกทำไม่นึกถึงพวกอาหารเจนะฮะคือญาโยมที่กินเจแกเอาจริงเอาจังมากนะปรุงแต่งเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่บอกว่าอยากกินเจตอนมาอยู่วัดรบอรไม่ไม่กี่ปีมีคราวหนึ่งโยมเลี้ยงอาหารเจแต่เราไม่รู้เรื่องฉังเสร็จแล้วโยมก็ถามว่าเป็นไงท่านอาหารเจฉันได้ไหมบอยังไม่เคยฉัน ไม่ทราบเป็นยังไงเกาบอกว่าท่านที่ฉันมาทั้งหมด อ, อาหารเจรทนั้นะบอกออกอย่างนั้นแหะคือเราก็สักแต่ว่าอาหารท่า น, นเองเพราอพระมันฉันแนวไปสังกายโยเดวไม่ก็ติดใจมันลุงรังอะไรอิ่มๆไปก็แล้วกันกินน้ำหนักๆท้องไปอยาปนมะตังคือไม่ไปติดใจในรายละเอียดขนาดนั้นจะต้องเป็นปรุงเป็นรูปขาไก่เป็นรูปไข่ไก่รูปเนื้อเป็นรูปอะไรต่รต่างๆ เือมันผลในท้ายมันก็นเคียยวหมดอ่ะแล้ ก, ก็แหลกหมดคือแสดงว่าเราปรุงรูปปรุงเสียงปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงสัมผัสเพื่ออะไรเพื่อมันเป็นการบันเทิงใจมันมีความรู้สึกกลายเป็นอุปท า, านว่าเป็นงานทําบุญคือเราจะเห็นว่าถ้าเรากินพวกมังสวิรัตเป็นบุญเนี่ยมันต้องนึกถึงสัตว์กินพืชทั้งหลาย เห็นว่าบุญไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกบุญไม่อยู่ที่กินอะไรมันอยู่ที่กินยังไงมากกว่าคือถ้าเราไม่บริโภคในตัณหาไม่ไปตามใจมันไม่มีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นยุ่งไปหมดเลยเรื่องอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นบุญละอะไรก็ได้แต่ถ้ามันเริ่มต้นที่อยากจะกินเจมันก็เป็นตัณหาแล้วถ้าได้เจก็เกิดโลภะต่อ ถ้าไม่ได้เจก็เกิดโทสะเราจะเห็นว่ามันก็ข้าวัวอาหารเนี่ยคือตัวตั ว, ต, วตัวชิ้นอาหารเนี่ยเป็นกาลิงก์กระหารแต่ว่าไอาความคิดเนี่ยมันก็คือเป็นมโนสังเจตนาหารในขณะเดียวกันพอสัมผัสมันก็ไปกลายเป็นผัสผสสาอาหารแล้วรู้มันก็กลายเป็นวิญญาณอาหารก็เลยเป็นกระบวนการของอาหาร ซึ่งจะเป็นเหตุได้เกิดธรรมะก็ได้เป็นเหตุได้เกิดกิเลสก็ได้วันแนวตัวเนี้ยเป็นการมองในแนวให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมัน่นหรือมั่นอะไรมากเกินไปจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะอย่างอื่นไม่ใช่และในสุดมันก็อยู่ได้ยินดียินร้ายอยู่ได้วโลภะโธสะราคะโลภะโธสะโมหะก็หมุนหนุนก็อยู่อย่างนี้ในสุดมันก็หาความสงบได้ยากถ้าฟังเท่าไหร่ เชียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณนธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี